วันนี้เป็นวันนงคารที่19บเกากรกฎาคมพุทธศักราช2559เป็นวันอาสาฬหบูชาแปลว่าการบูชาในเดือนอาสาฬหเป็นชื่อของเดือน8ในสมัยพุทธกาล มีเหตุการณ์ที่สำคัญของพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นในวันนั้นเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระธรรมคำสอนเป็นครั้งแรกเป็นวันที่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครบองค์ คือมีพระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมคาสอนและหลังจากที่ได้ทรงแสดงคําสอนเสร็จหนึ่งในผู้ฟังก็ได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลเป็นอริยสงฆ์ขึ้นมาจึงทําให้ปรากฏมีพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพราะพระพุทธศาสนา มีองค์ประกอบที่สำคัญอยู่สองค์ด้วยกันคือพระพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนและพระอริยสงสาวกจึงถือว่าวันนี้เมื่อสองพัน้ห้าสกว่าปีมาแล้วนั้นเป็นวันเกิดของพระพุทธศาสนาเป็นวันก่อตั้งพระพุทธศาสนา วันนี้เป็นเหมือนวันครบรอบของการก่อตั้งพระพุทธศาสนาเรียกว่าเป็นวันเกิดวันคล้ายวันเกิดของพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนานี้เริ่มต้นที่45ปีก่อนพุทธศักราชตอนนี้พุทธศักราชก็มี 2,559 ปีบวกอีก45ปี ก็เป็น 2,600 กับ4ปีนี่คืออายุของพระพุทธศาสนาการแสดงธรรมในวันนั้นเป็นการส้างแสดงทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ที่ทรงเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลางทางระหว่างการดับทุกข์ ด้วยการหาความสุขทางร่างกายและการดับความทุกข์ด้วยการทรมานร่างกายด้วยวิธีการต่างๆที่พระองค์ได้ทรงทดลองมาแล้วและทรงพบว่าไม่ใช่เป็นทางสู่การดับทุกข์ทรงเคยอยู่ในพระราชวังทรงมีความสุขทางร่างกายทุกรูปแบบ ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายของพระราชโอรสเช่นมีประสาทสามฤ ด, ดูไว้เป็นที่ประทับมีอาหารมีมหรุขบันเทิงต่างๆมากมายที่คอยให้ความสุขกับพรอองค์แต่ความสุขเหล่านี้นก็ไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ ที่มีอยู่ในพระทัยของพระองค์ได้หลังจากที่ทรงบวชพระองค์ก็ทรงทรมานตนเช่นทรงอดพระกยอาหารถึง49วันจนร่างกายนี้มีแต่หนังหุ้มกระดูกแต่ความทุกข์ในพระทัยของพระองค์ก็ยังไม่ดับไป พระ อ, องค์จึงต้องย้อนกลับมาพิจารณาหาอีกทางหนึ่งจนในที่สุดก็พบทางสายกลางทางดับทุกข์ด้วยการบำเพ็ญศีล ส, สมาธิปัญญาแล้วก็ทำให้ความทุกข์ทั้งหลายที่มีอยู่ในพระทัยของพระ อ, องค์หมดสิ้นไปไม่มีความทุกข์ หลงเหลืออยู่ในพระทยของพระองค์เลยหลังจากที่ได้เจริญศีลสมาธิและปัญญาได้บริบูรณ์ความทุกข์ต่างๆก็หายไปหมดนี่คือทางแห่งการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทางสู่พระนิพพาน ที่ไม่มีความทุกข์ที่ไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายที่ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดทุกย่อมมีย่อมไม่มีกับผู้ไม่เกิดเท่านั้นตราบใดที่ยังมีการเกิดอยู่ตราบนั้นยังต้องมีความทุกข์อยู่ยังต้องมีความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความทุกข์ที่เกิดจาก ความเจ็บไข้ได้ป่วยความทุกข์ที่เกิดจากความตายความทุกข์ที่เกิดจากการพัดพรากจากกันทุกเหล่านี้เป็นผลที่เกิดจากการมาเกิดนี่เองถ้ามาเกิดแล้วก็ต้องมีต้องมาแก่มาเจ็บมาตายมาพัดพรากจากกันถ้าอยากจะไม่มีทุกข์ก็ต้อง ไม่กลับมาเกิดและการที่จะไม่กลับมาเกิดก็ต้องระ ง, งับเหตุที่ทำให้มาเกิดเหตุที่ทามาทำให้จิตมาเกิดอยู่เรื่อยๆพระพุทธเจ้าทรงตัดสรุสทรงค้นพบว่าคือตัณหาความอยากนี่เองตัณหาที่มีอยู่ในใจของสัตว์โลกสามประการด้วยกัน คือความอยากในรูปเสียงเกินนสดเรียกว่าการมตัญหาความอยากให้มีราบยศสารเสริญสุขความอยากได้ราบยศสารเสริญสุขความอยากให้ราบยศสารเสริญสุขนี้เจริญไปเรื่อยเืย่เรียกว่าภาวะตัญหาและความอยากไม่ให้ราบยศสารเสริญสุข เสื่อมจากเราไปไม่ให้นดน้อยถอยลงไปให้มีแต่เท่าเดิมหรือมีมากขึ้นไปเรียกว่าวิภาวะตันหานี่คือตันหาทั้งสามที่จะทำให้สัตว์โลกนั้นมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆ และสาเหตุที่ทำให้สัตว์โลกมาเกิดสูงต่ำก็อยู่ที่บุญที่บาปได้ที่ได้ทำเอาไว้ในขณะที่แสวงหาราบยศสารเสริญสุขหารูปเสียงกลิ่นรสถ้าหาโดยที่ไม่กระทาบาปก็ไม่ต้องไปเกิดในที่ต่ำคือไม่ต้องไปเกิดในอบาย แล้วถ้ามีจิตเมตตากรุณาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เมื่อมีลาบยศสรรเสริญสุขมากกว่าที่จะสามารถเสพเองได้ใช้เองได้มีเหลือเฟือก็เอาใบแบ่งปันให้แก่ผู้เรียกว่าเอาไปทำบุญทำทานถ้าได้ทำบุญทำทานและไม่ได้ทำบาป ตายไปก็ได้ไปเกิดในสุคติไปสวรรค์ชั้นเทวดานี่คือเหตุที่ทำให้สัตว์โลกเกิดสูงเกิดต่ำคือบุญและบาปบาปจะทำให้ไปเกิดต่ำไปเกิดในอบายไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นผีเป็นสัตว์นรกบุญจะทำให้ไปสูง ให้ไปเป็นเทวดาให้เป็นพรมให้เป็นพระอริยะเจ้าให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดบุญที่จะทําทให้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดนั้นเกิดจากการบําเพ็ญจิตตภาวนาหรือการเจริญสมาธิและปัญญาการรักษาศีลแปดรักษาศีลของนักบวช เป็นวิธีการที่จะยุติกำจัดกามาตัญหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรดกำจัดภาวะตัญหาความอยากได้ลาบยศสารเสริญสุขกำจัดวิภาวะตัญหาความอยากไม่ให้ลาบยศสารเสริญสุขเสื่อมไปหมดไปนี่คือเครื่องมือที่เรียกว่าทางสายกลางคือศีล สมาธิและปัญญาศีลก็ต้องเป็นศีลของระดับนักบวชถ้าศีลห้านี้ยังไม่พอศีลห้านี้เป็นระดับของนักบุญคือของผู้ที่สวงบุญผู้ที่ชอบทาบุญทำทานต้องรักษาศีลห้าถึงจะได้ไปสวรรค์ถ้าทำบุญแต่ไม่รักษาศีลห้า ก็ยังต้องไปอบายอยู่แล้วบุญที่ได้ทําไว้ก็ต้องรอให้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ถึงจะได้รับผลของทานที่ได้ทำเอาไว้ได้กลับมาเกิดในครอบครัวที่ร่ํารวยมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองถ้าอยากจะตัดการเวียนว่ายตายเกิดการรักษาศีลห้านี้ไม่พอต้องรักษาศีลแปดขึ้นไป เพราะว่าจะต้องกำจัดกามตัณหาคือความอยากที่จะเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑเช่นสีนข้อสามของสีน8ก็คือการละเว้นจากการร่วมหลับนอนละเว้นการเสพกามกับคู่ครองของตน แล้วก็ล่าเว้นจากการหาความสุขจากการรับประทานอาหารตามความอยากรับประทานได้ตามความต้องการความจำเป็นของร่างกายแต่ไม่รับประทานตามความอยากถ้ารับประทานตามความต้องการของร่างกายรับประทานตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงก็พอแล้วหลังจากเที่ยงวันไปแล้วก็ไม่ต้องรับประทานอาหาร ถ้ารับประทานอาหารหลังเที่ยงวันก็แสดงว่ารับประทานด้วยความอยากก็จะเป็นการสร้างภพสร้างชาติให้มีเพิ่มมากขึ้นไม่ได้ตัดภพตัดชาติถ้าละการรับประทานอาหารหลังเที่ยงวันไปได้เรียกว่ากำลังตัดภพตัดชาติให้มีน้อยลงไปแล้วก็รักษาศีลข้อเจได้ก็จะตัดภพตัดชาติได้มากขึ้น คือการไม่ไปหาความสุขจากมหรสยบันเทิงไม่ไปตามแหล่งท่องเที่ยวไม่ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลื่นกายไม่หาความสุขจากการเสริมความงามของร่างกายด้วยการทําเผาทําผมด้วยการใส่เสื้อผ้าอาภรณ์ที่สวยสดงดงามด้วยการใช้เครื่องสําอางเอ ใช้น้ำมันน้ำหอมอะไรต่างๆเหล่านี้การกระทาเหล่านี้เรียกว่าเป็นการสร้างภพสร้างชาติให้มีการเวียนว่ายตายเกิดเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆไม่ใช่น้อยลงไปถ้ารักษาศีลข้อ7ได้ก็จะทำให้ภพชาติน้อยลงไปแล้วถ้ารักษาศีลข้อ8ได้ก็เช่นเดียวกัน ศิลข้อแปดก็คือไม่ให้นอนมากเกินไปให้นอนพอต่อความต้องการของร่างกายเหมือนกับการรับประทานอาหารรับประทานให้พอกับความต้องการของร่างกายรับประทานถึงเที่ยงวันก็พอแล้ววันละมื้อสองมื้อก็พอแล้วไม่ต้องรับประทานอาหารเย็นส่วนศิลข้อแปก็ไม่ต้องนอนมากเกินไปนอนคือละสีห้าชั่วโมง ก็พอต่อความต้องการของร่างกายถ้าจะนอนสี่ห้าชั่วโมงก็ต้องนอนบนพื้นแข็งๆถ้านอนบนฟูกหนาๆนามันจะนอนมากเกินสี่ห้าชั่วโมงเพราะหลังจากที่ร่างกายได้พักแล้วพอตื่นขึ้นมาถ้านอนบนฟูกหนาๆนมันสบายมันสุขก็จะไม่อยากจะลุกขึ้นก็จะนอนต่อ การนอนต่อเลยทําให้เสียเวลาอันมีค่าไปเพราะเราจะต้องเอาเวลาที่มีค่านี้มาปฏิบัติมาเจริญสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาสมถะภาวนาก็คือการเจริญสมาธิวิปัสสนาภาวนาก็คือการเจริญปัญญา ต้องเจริญทั้งสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาใจจึงจะมีกําลังมีความฉลาดที่จะเห็นโทษของความอยากทั้งสามเห็นโทษของกามตัิหาเห็นโทษของภาวะตันหาเห็นโทษของวิภวะตันหาแล้วก็จะมีกําลังที่จะไม่ทําตามความอยากเหล่านั้นได้ ถ้ามีสมาธิและมีปัญญาสมาธิจะเป็นกำลังให้ฝืนความอยากส่วนปัญญาจะเป็นผู้ชี้โทษของตันหาความอยากว่าการท ำ, ทำตามตันหาความอยากเป็นการนำไปสู่ความทุกข์นำไปสู่การเกิดแก่เจ็บตายนำไปสู่การเวียนว่ายตายเกิด นี่คือเครื่องไม้เครื่องมือที่พระพุทธเจ้าได้ทรงคนพบที่ได้สรงตัดสรู้ก็สรงตัดสรู้อริยสัจสีนี่รู้เหตุของทุกข์ว่าเกิดจากการมตันหาภาวะตันหาและวิภวะตัหารู้เหตุที่จะทำให้ทุกข์นั้นหลุดไปหมดไปดับไปเรียกว่ามรรคมรรคก็คือศีลสมาธิปัญญา หรือมากที่เรียกว่าองค์8ปดศีลก็คือสัมมากรรมโตสัมมาวาจาสัมมาอาชิวการกระทําที่ถูกต้องการพูดที่ถูกต้องการมีอาชีพที่ถูกต้องอันนี้เป็นองค์ประกอบของศีลอง์ประกอบของสมาธิก็คือสัมมาวายามุสัมมาสติสัมมาสมาธิ สัมมาวายาโมก็คือความเพียรที่ถูกต้องสัมมาสติก็คือการระลึกรู้ที่ถูกต้องสัมมาสมาธิก็คือความสงบตั้งมั่นของจิตที่ถูกต้องเป็นองค์ประกอบของสมาธิแล้วก็องค์ประกอบของปัญญาก็คือสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องและสัมมาสัง สังกับโปความคิดที่ถูกต้องนี่คือมรรคแปดที่เราบางทีก็ย่อลงมาเป็นสามเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาเป็นมรรคอันเดียวกันเพียงแต่ว่าไม่ได้แจกแจงรายละเอียดไม่ได้แจกแจงว่าศีลมีอะไรบ้างศีลก็มี การพูดการกระทําที่ถูกต้องการพูดที่ถูกต้องการกระทําที่ถูกต้องก็คือการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่เสพโุลายาเมาเรียกว่าเป็นการกระทําที่ถูกต้องการพูดที่ถูกต้องก็คือการไม่พูดปดการไม่พูดคำหยาบคำไม่การไม่พูดคำเพ้อเจ้อ การไม่พูดส่อเสียดนี่คือวาจาที่ถูกต้องผู้ที่ต้องการกำจัดความทุกข์กำจัดภพชาติต่างๆจะต้องมีสัมมากรรมโตสัมมาวาจาและสัมมาอาชิโบคืออาชีพที่ถูกต้องอาชีพที่ถูกต้องก็คืออาชีพที่ไม่เบียดเบียน ชีวิตของผู้อื่นเช่นไม่ค้าขายอาวุธต่างๆที่จะเอาไปเข้นฆ่ากันไม่ขายสารพิษต่างๆที่จะไปทำร้ายชีวิตของสัตว์และแมะลงต่างๆไม่ค้าเป็ดค้าไก่ค้าวัวค้าควายเพื่อเอาไปฆ่าเพื่อที่จะได้เอามาทำเป็นอาหารนี่คืออาชีพที่ ไม่ถูกต้องผู้ที่ต้องการที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดต้องไม่ทำอาชีพเหล่านี้เพราะเป็นการส่งเสริมให้มีการกระทำบาปมีการฆ่ากันแล้วการฆ่ากันนั้นก็อาจจะกลับมาที่เหล่าได้เช่นค้าให้ขายสุรายาเมา พอคนดื่มสุรายาเมาแล้วก็ขับรถเมาก็อาจจะขับรถมาชนเราได้ทำให้เกิดอุบัติเหตุทำให้เราถึงแก่ความตายได้นี่คือองค์ประกอบของศีลมีสัมมากัมมันโตการกระทำที่ถูกต้องไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดตัวแีน ไม่เสพสุร้รายาเมาและอบายามุขต่างๆการพูดที่ถูกต้องก็ต้องไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดส่อเสียดคำว่าส่อเสียดนี้แปลว่าพูดยุดยงให้เกิดความแตกแยกสามคัคคีและอาชีพก็ต้องละเว้นอาชีพที่จะไปเบียดเบียนชีวิตของผู้ เรียกว่าสัมมาอาชีวะนี่เป็นองค์ประกอบของศีลองค์ประกอบของสมาธิก็คือสัมมาวายามูคืคอความเพียนชอบเพียนอย่างไรถึงเรียกว่าเพียนชอบอเลิเปียนที่ถูกต้องก็เพียรรักษาเพียรเจริญสตินี่เองมันเจริญสติอยู่เรื่อยๆเพื่อให้สติมีปรากฏขึ้นมาให้มีดัลลึกยู อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งไม่ให้สติไม่ให้ใจไหลไปกับความคิดปรุงแต่งต่างๆให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นให้อยู่กับคาบริกรรมพุทโธพุทโธไปการมีความเพียรสร้างสติจะทำให้มีสติสตินี้ก็จะเป็นเหมือนเบรกที่จะหยุดความคิดปรุงแต่งต่างๆได้ ถ้ามีสติแล้วก็จะสามารถหยุดความคิดปรุงแต่งพอหยุดความคิดปรุงแต่งได้ใจก็จะรวมเข้าสู่ความสงบเป็นสมาธิขึ้นมาสมาธิก็มีทั้งมิจฉาสมาธิและอัปปนาสมาธิอ่ามิจฉาสมาธิและสัมมาสมาธิมิจฉาก็คือสมาธิที่ไม่ถูก และสัมมาสมาธิก็คือสมาธิที่ถูกต้องมีอยู่สองชนิดเวลานั่งสมาธินี้เราจะได้พบกับสมาธิสองลักษณะสมาธิที่รวมแล้วนิ่งสักแต่ว่ารู้มีความสุขมีอุเบกขาอันนี้เรียกว่าส ม, มาสมาธิสมมาสมาธินี้ก็มีสอง คือคนิกะกับอัปปนาสมาธิคานิกะก็คือสงบเดียวเดียวชั่วขณะหนึ่งรวมได้ขณะหนึ่งแล้วก็ถอนออกมาอันนี้จะเป็นสมาธิของผู้ที่เริ่มต้นผู้ที่เริ่มฝึกใหม่ๆเวลานั่งสมาธิแล้วจิตรวมใหม่ๆนี้จะรวมได้แป๊บเดียวแล้วก็จะถอนออกมาเนื่องจากกำลังของสติยังมีไม่มากพอ แต่ถ้ามันจเจริญสติอยู่เรื่อยๆมันบริกรรมพุทธโธพุทธโธอยู่เรื่อยๆต่อไปสติจะมีกำลังมากจะมีกำลังที่จะดึงให้ใจเข้าสู่สมาธิได้นานถ้าอยู่ได้นานก็เรียกว่าอัปปนาสมาธินี่คือสมาธิที่เรียกว่าถูกต้องต้องเป็นสมาธิที่นิ่งที่สงบที่ว่างที่ปราศจาก นิมิตอะไรต่างๆมีแต่อุเบกขามีแต่ความสุขที่เกิดจากความสงบและมีผู้รู้สักแต่ว่ารู้นี่คือสมาธิที่ถูกต้องเรียกว่าสัมมาสมาธิส่วนมิจฉาสมาธิก็คืออุปจารสมาธิ คือจิตที่รวมแล้วไม่ตั้งอยู่ในอุเบกขาไม่ตั้งอยู่ในความว่างกลับออกไปรับรู้เหตุการณ์หรือเรื่องราวหรือมิตนิมิตต่างๆเช่นไปพบปะกับกายทิพย์ไปพบสวรรค์ไปพบนรกไปมีความสามารถพิเศษคือมีตาทิพย์หูทิพย์ระลึกชาติได้ อ่านวาลจิตของผู้อื่นได้ว่าผู้อื่นกำลังคิดอะไรอยู่สามารถไปรับรู้ได้ความสามารถเหล่านี้ถึงแม้ในสายตาของปุถุชนอย่างพวกเราก็อาจจะคิดว่าเป็นความสามารถที่วิเศษแต่มันก็ยังไม่สามารถที่จะกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปได้ และอาจจะกลับเป็นผู้สร้างความทุกข์คือสร้างภพชาติให้เพิ่มมากขึ้นไปก็ได้เพราะว่าพอได้มีความรู้ความสามารถพิเศษผู้รู้ผู้มีความสามารถนี้ก็มักจะเอาไปใช้ตามความอยากเอาไปใช้เพื่อหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจบูกเลนกายแทนที่จะ มากำจัดความอยากในลาบยศเสรเสริญสนุกกับเอามิจฉาสมาธินี้มาเป็นเครื่องมือมาแสวงหาราบยศเสรเสริญสุขมาสร้างการมตัิหาภาวะตันหาวิภวะตันหาขึ้นมาเท่ากับการเป็นการสร้างภพสร้างชาติผู้ที่ได้สมาธิแบบนี้ไม่ควรที่จะไปทางนั้น ถ้าปัถ้าจิตรวมแล้วออกไปต้องใช้สติดึงกลับมาให้ดึงกลับมาให้สักแต่ว่ารู้ให้อยู่กับความว่างให้อยู่กับอุเบกขาอย่าปล่อยให้ไปรับรู้เหตุการณ์ต่างๆถึงแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดมหัศจรรย์แต่มันก็ไม่มหัศจรรย์เท่ากับการได้ดับความทุกข์การได้ดับตัณหาความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจ อันนี้จะเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์กว่าเพราะการไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดนี้เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ที่สุดดังนั้นผู้ที่อาจจะมีความสามารถพิเศษเหล่านี้อยู่ก็ต้องระมัดระวังให้รู้ว่านี่ไม่ใช่เป็นทางของสัมมาสมาธิเป็นทางของวิจาสมาธิเพราะทางนี้จะไม่มีอุเบกขา เวลาออกจากสมาธินี้มาจะไม่มีกำลังต้านตันหาความอยากแล้วความความอยากก็จะใช้ความรู้ความสามารถพิเศษนีนดึงจิตไปหาลาบยศสรรเส ร, ริญหาความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายหาพบหาชาติต่อไปแต่แต่ถ้าเป็นอัปปนาสมาธิเป็นสัมมาสมาธิี้จิตจะสงบนิ่งเยือกเย็ยน สบายมีความสุขแต่ไม่มีอะไรให้รับรู้มีแต่ความว่างมีแต่ผู้รู้อันนี้มันก็จะทำให้เราเห็นว่าผู้รู้กับร่างกายนี้เป็นคนละส่วนกันจะทำให้เราเห็นว่าผู้ที่จะไปรับผลของบุญของบาปผู้ที่จะไปเวียนว่ายตายเกิดก็คือผู้รู้นี้เองคือคือใจนี้เอง ร่างกายนี้ไม่ได้เป็นผู้ไปรับผลบุญผลบาปร่างกายนี้ไม่ได้ไปเกิดบนสวรรค์หรืไปเกิดในอบายแต่ใจคือผู้รู้นี่แหละคือเป็นผู้ไปหลังจากที่ไม่มีร่างกายติดกันแล้วผู้รู้นี้ก็ต้องไปตามอานาจของบุญนะของบาปและอานาจของตันหาความอยากถ้าตัดตันหาความอยากได้ก็จะไม่มี เหตุที่จะส่งให้ไปเกิดที่สูงหรือที่ต่ำได้เหมือนรถที่ไม่มีน้ํามันพอรถไม่มีน้ํามันแล้วรถก็ไม่สามารถวิ่งไปทางซ้ายหรือวิ่งไปทางขวาได้ถ้าไม่มีความอยากแล้วใจก็ไม่ไปเกิดในสวรรค์ไม่ไปเกิดในอบายใจจะตั้งอยู่ที่พระนิพพานาซึ่งเป็นสวรรค์ชั้นสูงสุดสวรรค์ที่ไม่มีวันเสื่อม สวรรค์ที่มีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์อันนี้จะเกิดจากการมีสัมมาสมาธิเธอจิตตั้งมั่นสงบมีอุเบกขาเวลาสงบก็ปล่อยให้ตั้งมั่นให้นานเพื่อจะได้ชาร์จแบตชาร์จกําลังของอุเบกขาให้มีมากๆเวลาออกจากสมาธิมาอุเบกขานี้จะค่อยๆจางไปเพราะเมื่อมีความคิดตรุงแต่งขึ้นมา ความคิดปรุงแต่งนี้ก็จะไปทําลายอุเบกขาที่เราเล็กเทีน้อยก็มีสองวิธีที่จะรักษาอุเบกขานี้ไว้หลังจากออกจากสมาธิมาก็คือวิธีแรกก็คือให้เจริญสติต่อไปออกจากสมาธิมาแล้วก็พุทโธพุทโธต่อไปประครับประคองอุเบกขาประคอบประคองใจที่ว่างที่สงบนี้ต่อไปก่อน ให้ชำนาญก่อนให้ชำนาญในทางสมาธิก่อนให้สามารถกลับเข้าไปในสมาธิได้เวลาที่ต้องการกลับเข้าไปให้เข้าออกสมาธิได้ทุกครั้งที่เราต้องการอันนี้เป็นขั้นของการฝึกหัดสมาธิยังไม่เรียกว่าติดสมาธิการติดสมาธินี้หมายถึงว่ามีความช่ำชองชำนาญในการเข้าออกทางสมาธิแล้ว แต่ไม่ออกไปทางปัญญาเอาอเวลาออกจากสมาธิมาก็ใช้สติประคับประคองควบคุมความคิดไม่ให้คิดปรุงแต่งเวลาเกิดความอยากขึ้นมาก็ใช้สติหยุดมันแต่การใช้สติหยุดมันนี้มันไม่สามารถทำลายความอยากให้หายขาดไปได้พราเป็นเหมือนกับการใช้หินทับยา เห็นทับยาเวลามีหินทับหญ้าหญ้าก็จะไม่งอกงามขึ้นมาแต่เวลาที่เอาหินออกยาก็จ ะ, จะเจริญ ง, งอกงามต่อไปได้เพราะว่ารากยังมีอยู่ไม่ได้ถอนรากถอนโคนของหญ้าถ้าถอนรากของโคนของยาแล้วยาก็จะตายผู้ที่จะมาถอนรากโคนของตันหาความอยากได้ก็คือปัญญารากโคนของ ความอยากก็คือความหลงโมหะอาวิชชาความหลงที่ไม่เห็นว่าความอยากนี้เป็นทุกข์น้มไปสู่ความทุกข์และสิ่งที่อยากได้ก็จะเป็นความทุกข์เหมือนกันเพราะสิ่งที่ได้มานั้นเป็นของไม่เที่ยงไม่ได้เป็นของเราได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องเสื่อมจากเราไปมันก็จะทำให้เราพบกับความทุกข์ได้ลาบยศสารเสริญสุข แล้วเดี๋ยวมันก็ต้องเสื่อมหมดไปหรือเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปายลาภยศเสรรสุขที่มีอยู่มากน้อยเพียงไรก็ไม่สามารถเอาติดตัวไปได้อันนี้คือปัญญาปัญญาจะสอนว่าไม่มีความสุขอันใดในโลกนี้ที่เป็นความสุขที่แท้จริงความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ความไม่อยากนี้เพียงอย่างเดียวต้องกาจัดความอยากเพียงอย่างเดียว แล้วใจจะมีความสุขเพราะความอยากนี้เป็นผู้สร้างความทุกข์ให้กับใจเวลาไม่มีความอยากนี้ใจจะสุขเช่นเวลาใจสงบหยุดความคิดปรุงแต่งหยุดความอยากใจก็จะเป็นอุเบกขาใจก็จะสงบนิ่งใจก็จะมีความสุขอันนี้คือปัญญา ที่จะมาถอนรากถอนโคนของตันหาความอยากการจะใช้ปัญญาก็ต้องให้มีความชำนาญในทางสมาธิก่อนเพราะว่าเวลาออกจเจริญทางปัญญานี้ก็อาจจะทำให้จิตฟุ้งซ่านขึ้นมาได้ถ้ากิเลสแทรกเข้ามาถ้าเกิดความฟุ้งซ่านถ้าไม่ชำนาญในการเข้าไปในสมาธิก็อาจจะทำให้จิตสงบหายฟุ้งซ่านไม่ได้ เรือหายได้ยากหาได้หายได้ช้าแต่ถ้ามีความชํานาญพอรู้ว่าจิตเริ่มไปทางกิเลสตันหาแล้วเริ่มฟุ้งซ่านแล้วก็หยุดการพิจารณาแล้วก็ดึงจิตให้เข้าสู่สมาธิกลับเข้าไปให้จิตสงบให้มีอุเบกขาพักอยู่ในนั้นจนกว่าจิตจะถอนออกมาเองพอถอนออกมาเองแล้วค่อยกลับมาจเจริญปัญญาใหม่ มาพิจารณาตายรักใหม่การพิจารณาตายรักในขณะที่ยังไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นนี้เรียกว่าเป็นการทําการบ้านเป็นการเตรียมตัวรับกับเหตุการณ์จริงที่จะเกิดขึ้นเช่นพิจารณาร่างกายของเราว่าจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นเพียงดินน้ำลมไอเป็นอนัตตา เกิดแก่เจ็บตายเป็นอ น, นิจจังถ้าไปยึดไปติดว่าเป็นตัวเราของเราก็จะเกิดความอยากให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเวลาที่เจอความแก่เจอความเจ็บไข้ได้ป่วยเจอความตายอันนี้เป็นการฝึกสอนใจให้รู้จักว่าจะต้องปล่อยวางเวลาเจอความแก่ต้องปล่อยวางความอยากไม่แก่ เวลาเจอความเจ็บไข้ได้ป่วยต้องปล่อยวางความอยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเวลาเจอความตายก็ต้องปล่อยวางความอยากไม่ไม่ตายอันนี้สอนไปเรื่อยเพื่อจะได้จดเพื่อจะได้จำพอเวลาเจอเหตุการณ์จริงจะได้เอามาใช้ได้ถ้าจำได้ว่าความทุกข์ของเรานี้ไม่ได้อยู่ที่ความแก่ความเจ็บความตาย แต่อยู่ที่ความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องไม่ไปอยากให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอหยุดความอยากได้ใจก็จะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายที่ไม่ใช่เป็นของใจไม่ใช่เป็นตัวใจร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายไม่ได้ทำให้ใจแก่ใจเจ็บใจตายไปด้วย ใจก็เป็นเหมือนเดิมใจเป็นผู้รู้เป็นเจรรู้แบบไหนรู้แบบหลงหรือว่ารู้แบบปัญญาถ้ารู้แบบหลงก็จะอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายถ้ารู้แบบปัญญาก็จะปล่อยวางไม่เดือดร้อนไม่สะทกสะท้านกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายอันนี้คือปัญญา อัญญาที่เราจะต้องหมั่นเจริญหลังจากที่เราออกหลังจากที่เรามีความชำนาญในการเข้าออกในสมาธิแล้วเวลาเข้าในสมาธิก็ตั้งอยู่ได้นานอย่างน้อยก็ชั่วโมงขึ้นไปสงบได้สบายแล้วพอออกมาก็จะมีกําลังมีอุบเบกขาที่จะมองความจริงได้ถ้าจิตไม่มีอุบเบกขาในกิเลสจะไม่ยอมให้มองความจริง จะไม่ยอมให้มองความแก่ความเจ็บความตายที่จะตามมาก็าจะทำให้หลงลืมไปว่าจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็เลยจะยึดติดอยู่กับร่างกายแล้วก็จะอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเวลาร่างกายแก่นี่ก็ไปทําสัญญกรรมอะไรต่างๆนี่แสดงว่าหลงลืมลืมว่าต้องแก่เจอความแก่แล้วยังไม่ยอมให้แก่ พอหนังเหี่ยวหน่อยก็ต้องไปดึงให้มันตึงพอผิวเป็นอะไรขึ้นมาก็ต้องหาอยู่หายามาทงมาทามาประเทืงผิวกันอันนี้แสดงว่าไม่มีปัญญาเลยไม่เคยพิจารณาเลยว่าร่างกายนี้ต้องแก่แล้วไม่ว่าจะทําอะไรก็ห้ามมันไม่ได้ไปดึงผิวก็ดึงได้ไม่นานเดี๋ยวมันก็หย่อนอีกมันก็ยาอีกตอนนี้คือธรรมชาติของร่างกาย ไายอมผมเท่าไรเดี๋ยวมันก็งอกขึ้นมาอีกยอมจนกระทั่งในที่สุดก็ยอมแพ้รู้ว่าสู้ไม่ได้อันนี้ถ้ามีปัญญาก็ไม่ต้องมาเหนื่อยให้เสียเวลาปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติหนังจะเหี่ยวจะย่นก็ปล่อยมันไปผมจะงอกก็ปล่อยมันไปร่างกายจะเจ็บไข้ได้ป่วยถ้ารักษาได้ก็รักษาไป รักษาไม่ได้ก็ปล่อยมันให้มันเป็นไปโรคภัยไข้เจ็บของร่างกายมันก็มีสามชนิดด้วยกันชนิดที่หนึ่งก็คือเมื่อเป็นแล้วเดี๋ยวมันก็หายเองเช่นเป็นไข้หวัดบางบางทีไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องกินยาก็ได้เดี๋ยวสี่ห้าวันมันก็หายปวดท้องถ้าปวดท้องเพราะอาหารเป็นพิษพอถ่ายออกไปแล้วมันก็หายเอง ไม่ต้องกินยาไม่ต้องรักษาเรียกว่าโรคที่ไม่ต้องรักษาเป็นแล้วหายเองส่วนโรคชนิดที่สองนี้เป็นพอเป็นแล้วต้องรักษาถึงจะหายถ้าไม่รักษามันไม่หายส่วนโรคชนิดที่สามนี้เป็นโรคที่พอเป็นแล้วรักษาหรือไม่รักษาก็ไม่หายมันจะต้องเป็นของมันไปจนถึงวันสุดท้ายของชีวิต นี่ก็มีแค่สามโรคนี้เท่านั้นเองแล้วทุกคนจะต้องเจอโรคทั้งสามนี้เบื้องต้นก็จะเจอชนิดที่หนึ่งแล้วก็เจอชนิดที่สองถ้ามียาก็รักษาได้ถ้าไม่มียาก็ไม่รักษาไม่ได้ส่วนโรคที่สานี้ไม่มีอะไรจะมารักษามันได้ก็ต้องอยู่กับมันไปอยู่กับมันไปจนกว่าจะสิ้นใจตายไปถ้าเราไม่มีความอยากให้มันหายเราก็จะไม่ทุกข์กับมัน มันจะอยู่ก็ปล่อยมันอยู่ไปนี่คือการสอนใจการเจริญปัญญาในลักษณะแบบการทำบ้านทาการบ้านคือยังไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นมาส่วนการทำข้อสอบนี้ก็คือเวลามีเหตุการณ์เกิดขึ้นมาเช่นมีคนคนที่เรารักกำลังจะตาย อย่างนี้เราจะทําใจได้หรือไม่ก็จะรู้ว่าใจเราทุกข์หรือไม่ทุกข์ถ้าทุกข์ก็แสดงว่าเรายังไม่มีปัญญาลืมไปว่าเขาต้องตายเป็นธรรมดาหรือว่าถ้าไม่ลืมรู้ว่าเขาต้องตายแต่ก็ยังทําใจไม่ได้ก็แสดงว่าสติจิตไม่มีกําลังพอไม่มีสติที่จะทําทให้ใจวางเฉยเป็นอุเบกขาได้ดังนั้นการ จะปล่อยได้ไม่ได้ก็อยู่ที่สติอยู่ที่สมาธิและปัญญาถ้ามีสติมากจิตเป็นสมาธิมากก็จะมีกําลังปล่อยแต่ถ้าไม่มีปัญญาก็ไม่ปล่อยไม่รู้ว่าจะไม่รู้ว่าเป็นทุกข์เพราะไปอยากก็ยังอยากอยู่แต่พอมีปัญญารู้ว่าที่ทุกข์นี้ทุกข์เพราะไปอยากให้เขาไม่ตายพอรู้ปั๊บแล้วก็หยุดความอยากไม่ให้เขาตายได้ จิตก็จะหายทุกทันทีนี่คือวิธีการดับทุกข์ที่พระเจ้าทรงคนพบที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางเป็นวิธีการดับทุกข์ที่ถูกต้องอย่าไปดับทุกข์ด้วยการไปหาความสุขเช่นหาความสุขทางร่างกายเวลาไม่สบายก็ไปซื้อสุรามาเวลาไม่สบายใจก็ดื่มสุราเพื่อดับความทุกข์ใจหรือเสพยาเสพติด หรือไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆมันก็ทําให้ลืมความทุกข์ไปได้ชั่วคราวแต่พอกลับมาพอเดี๋ยวกลับมาแล้วกลับมาจากเที่ยวกลับมาจากการดื่มสุรากลับมาจากการเสพยาแล้วความทุกข์นั้นก็จะกลับโผล่ขึ้นมาใหม่เพราะความทุกข์นั้นมันเกิดจากความอยากของเราเองต้องหยุดความอยากของเรา จะหยุดความอยากได้ก็ต้องมีศีลสมาธิและปัญญามีทางสายกลางนี่คือความสำคัญของวันอาสาฬหาบูชาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมคำสอนเป็นขั้งแรกให้แก่สัตว์โลกพระธรรมคำสอนสูตรนี้มีชื่อว่าธรรมจั ก, กรกปวัตนสูตรเป็นการแสดง ทางไปสู่การดับทุกข์ที่แท้จริงที่ถาวรเป็นทางสายกลางที่อยู่ระหว่างการดับความทุกข์ด้วยการหาความสุขทางร่างกายกับการดับความทุกข์ด้วยการทรม า, รมานร่างกายซึ่งไม่สามารถดับความทุกข์ได้ทั้งสองทางมีทางเดียวคือทางสายกลางนี้ที่จะดับความทุกข์ได้ก็คือมัชฌิมาปฏิปทาคือศีลสมาธิปัญญา หรือสัมมากมันโตสัมมาวาจาสัมมาอาชิวสัมมาสติสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาทิทิสัมมาสังกปเนี่ยนี่คือมรรคที่มีองค์8พอเราย่อลงมาก็เป็นศีลสมาธิปัญญาไปถ้าเราต้องการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายหยุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด เราต้องมาเจริญศีนสมาธิปัญญากันมีทางนี้ทางเดียวเท่านั้นไม่มีทางอื่นดังนั้นขอให้พวกเราจงนำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ประเสริฐนี้ไปพิจนารณากันขอให้เราเห็นคุณค่าของคำสอนของพระพุทธเจ้าและเห็นโชคของพวกเราว่า ที่ได้มาพบกับคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นสิ่งที่ยากมากเพราะนานๆจะมีพระพุทธเจ้ามาทรงตัสสรุและประกาศพระธรรมคำสอนสักครั้งหนึ่งเป็นเวลาเป็นแสนล้านปีถึงจะมีคำสอนมาปรากฏขึ้นสักครั้งหนึ่งแล้วก็อยู่ไปไม่นานอย่างคำสอนของ พระพุทธเจ้านี้ทรงประกอบทรงพยากรณ์ไว้ว่าจะอยู่ไม่เกินห้าพันปีหลังจากห้าพันปีไปแล้วก็จะไม่มีคำสอนนี้อยู่อีกก็จะไม่มีใครสอนไม่มีใครพาเราให้หลุดพ้นออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ตอนนี้พวกเราโชคดีเรายังมาพบพระธรรมคำสอนเราได้มาพบกับพระอรหันตสาวกที่จะสอนพวกเราที่จะพาพวกเรา ให้ได้ออกจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้ไปได้ดังนั้นเราจึงอย่าปล่อยให้โอกาสอันงาม น, นี้หลุดจากมือไปอย่างที่สุภาษิต ท, ที่พูดไว้ว่าน้ําขึ้นให้รีบตักน้ําตอนนี้ก็คือพระพุทธศาสนากำลังขึ้นกำลังมีให้เราตักอยู่ยังมีคำสอนของพพุทธเจ้ามีคนสอนขอให้เราศึกษาแล้วปฏิบัติ แล้วเราก็จะได้รับประโยชน์จากการศึกษาและปฏิบัติคือเราจะได้ห ล, ลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดถ้าเราไม่ตักตัวโอกาสนี้น้ําขึ้นแล้วเราไม่รีบตักปล่อยให้น้ํามันลดลงไปจนไม่มีน้ําเหลือเราก็จะไม่มีน้ําไว้ใช้ถ้าเราปล่อยให้าศาสนาพุทธนี้หมดไปภายในห้0 0ัปี ชาติหน้าเรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่อาจจะไม่มีพระพุทธศาสนาอยู่ในโลกนี้อีกแล้วก็ได้น่ากว่าจะมีพระพุทธศาสนาอันใหม่ปรากฏขึ้นมาก็จะต้องเป็นเวลาหลายกับด้วยกันหลายแสนล้านล้านปีด้วยกันถึงจะได้มีพระพุทธศาสนาอันใหม่ขึ้นมาเป็นผู้นำทางผู้สอนให้พวกเราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลาย ดังนั้นโอกาสนี้เป็นโอกาสที่วิเศษอย่างยิ่งสําหรับพวกเราที่เราไม่ควรที่จะปล่อยให้หลุดมือไปเราสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์นี้ได้ถ้าเราปฏิบัติอย่างเต็มที่พระองค์ทรงพยากรณ์ทรงรับประกันไว้แล้วว่าถ้าปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาได้อย่างเต็มที่ภายในเจดเดือนภายในเจดปีหรือภายในเจดวันก็จะสามารถ หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ดังนั้นในวันอาาละบูชานี้ขอให้พวกท่านทั้งหลายจงน้อมจงบูชาพระพุทธเจ้าบูชาพระคุณของพระพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติบูชาเถิดเพราะการปฏิบัติบูชานี้แหละเป็นการบูชาที่แท้จริงการบูชาด้วยอาบิสบูชาคือเครื่องสักการะต่างๆการกราบไหว้ นี้เรียกว่าอามิสบูชาท่านไม่ได้ถือว่าเป็นการบูชาที่แท้จริงการบูชาที่แท้จริงนี้ต้องเป็นการปฏิบัติบูบชาคือบูชาด้วยทานด้วยศีลด้วยสมาธิและปัญญาแล้วประโยชน์ที่จะได้รับจากการบูชานี้ก็จะเป็นการหลุดพ้นจากความทุกข์ตามลำดับจนหลุดพ้นได้อย่างเต็มที่ได้ไปถึงพระนิพพานกัน อย่างเต็มที่อยู่ที่การปฏิบัติบูชานี้การแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรอยะทาวาริวาาปุราปาริปุเรนติสักลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานาังอุ ป, ปกาปฏิ อิชิตังปฏทิตังตุมหังเขปะเมวะสมิจโตสาเพปเรนโตสังกปะจันโทปนะระโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพิตโยวิวัจจันตุสัพพารโควินาศตุ มาเตภวตวันตรายูสุขีทีขายุโกผวะอภิวัธนสศิลิสนิจังวุทธาปจายโนจัตตารธรมมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลัง อลำดับต่อไปนี้ก็จะเป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีคำถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เราเลิกประชุมแล้วก็จะของดการตอบปัญหาถ้าต้องการถามขอความกรุณาถามในช่วงนี้ได้เลยยกมือขึ้นแล้วจะส่งไม่ไปให้ มกลับนรรมัสการพระอาจารย์นะคะขออนุญาตเรียนถามค่ะพอดีหนูเริ่มปฏิบัติเองโดยเริ่มปฏิบัติ ด, ด้วยตัวเองที่บ้านแล้วหนูก็ปฏิบัติมาเรื่อยๆพี่สาวก็ปฏิบัติเหมือนกันแต่ระยะหนึ่งก็ถามพี่สาวว่าเขาปฏิบัติเป็นยังไงเพื่อความเราไม่ทราบว่าเราปฏิบัติถูกต้องไหมก็มีความแตกต่างกันซึ่งที่หนูปฏิบัติเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยคือ หนูก็จับลมหายใจแล้วพุโทโธแต่ในการจับลมหายใจรู้สึกว่ามันเหมือนกับเกรงเหมือนกันเราไปบังคับมันหนูก็เลยไม่ไปจับลมหายใจในการปฏิบัติหนูก็เลยเริ่มโดยที่ว่าตั้งสติตั้งสมาธิของตัวเองนะคะแล้วหลังจากนั้นหนูก็จะอยู่ที่นิ่งนิ่งไม่อะไรเลยเนี่ยนานเป็นชั่วโมงแล้วก็ไม่ง่วงไม่หลับอะค่ะซึ่งตรงนี้หนูก็ไม่ทราบว่า มันก้าวหน้าหรือเปล่าในการปฏิบัติของหนูแต่ที่หนูมาฟังเทศพระอาจารย์เมื่อสักครู่เนี่ยก็คือพระอาจารย์ได้เหมือนกับตอบปัญหาตรงใจที่หนูอยากถามมันมันเหมือนกับที่หนูได้ปฏิบัติเลยแต่หนูอยากจะทราบว่าในการที่เรานิ่งนานเนี่ยเราจะทราบได้ยังไงว่ามันจะถึงจุดเมื่อไหร่ที่เราจะต้องนํามาปัญญามาพิจารณานี่ค่ะคือช่วงที่มันนิ่งๆนี่นเราไม่ต้องไปทําอะไรให้มันนิ่งหมายถึงเวลาที่เรานั่ง ถ้าเรานั่งสมาธิแล้วจิตนิ่งๆี่เราต้องการให้มันนิ่งนานๆต้องการให้มันพักผ่อนให้มันมีกำลังแล้วพอออกจากการนั่งสมาธิมาแล้วก็ให้คิดทางปัญญาได้ให้พิจารณาร่างกายของเราและร่างกายของคนที่เราเกี่ยวข้องด้วยว่าต้องมีการแก่มีการเจ็บมีการตายเป็นการเตือนใจสอนใจเพื่อให้เราไม่ให้ไปยึดไปติด เพอเวลาที่เขาแก่เขาเจ็บเขาตายเราจะได้ไม่ทุกข์ถ้าเราปล่อยเขาให้เขาไปถ้าเราลือไปว่าเขาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราก็อาจจะคิดว่าเขาไม่ควรจะแก่ไม่ควรจะเจ็บเราก็เลยจะเสียใจเวลาที่เขาแก่เจ็บตายอย่างที่เมื่อกี้เทศ ว, ว่าว่าตอนต้นก็คิดไปล่วงหน้าก่อนถ้าเหตุการณ์ยังไม่เกิดขึ้นก็สอนใจเตือนใจไว้ก่อนว่าจะต้องเกิด แล้วพอเวลาเจอเหตุการณ์จะได้ทดสอบดูได้ว่าปล่อยได้หรือไม่ได้ <Okay. S 2> ถ้าถ้าไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนไม่มีความอะไรเฉยๆก็แสดงว่ า, อาสอบผ่าน <Okay. S 2> ถ้ายัางเสียใจร้องไห้ยังคือร้องได้แต่ร้องแบบไม่ได้ร้องแบบทรมานใจถ้าร้องแบบความซึ้งใจทราบซึ้งใจในบุญคุณของเราอย่างนี้ จากกันก็มีการเสียน้ําตาบ้างแบบนี้ไม่เป็นไรแต่อย่าไปร้องแบบอจะเป็นจะตายให้ได้ต้องอยากให้เขากลับมา <c oughs> ไม่อยากให้เขาตายถ้าอย่างนั้นมันก็จะเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมา <c oughs> ก็ทําได้ในเวลา <c oughs> ที่เราไม่ได้อยู่ในสมาธิอออกมาปั๊บเรามาทําอะไรเราก็พิจารณาไปควบคู่กับการทํางานของเราก็ได้ <c oughs> <c oughs> อะไรก็บอกไม่เที่ยงเห็นกระทะนี่ก็บอกไม่เที่ยงเห็นจานนี่ก็บอกไม่เที่ยงเห็นแก้วเห็นเสื้อเห็นผ้าเห็นอะไรเดี๋ยวมาต้องพังหมดอไม่มพังก็หายไปอหรือเราทิ้งมันไปเนี่ยมันก็ต้องมีการพลาดลาดจากกันถ้าเราไม่ยึดไม่ติดเวลาจากกันก็จะไม่ทุกข์ถ้าเรารู้ว่ามันจะต้องจากกันเราก็จะได้ไม่ยึดไม่ติดแต่ตรงที่เราลืมไปเช่นของที่เรารักแล้วก็อยากจะให้อยู่กับเรา เช่นสร้อยคอแหวนอะไรของพวกนี้เราก็ยังยึดติดกับมันอยู่พอมันจากเราไปเราก็จะเสียใจเราต้องพิจารณาทุกอย่างที่เรามีอยู่เนี่ยมันต้องจากเราไปไม่ช้าก็เร็วถ้าเราปล่อยเราจะไม่ทุกข์ถ้าเรายึดเราจะทุกข์ค่ ะ, ะและการที่เราใช้สติในการที่เราปฏิบัติสมาธิเนี่ยในชีวิตประจาวันนะคะ พระอาจารย์ก็คือว่าเราต้องมีสติตลอดเวลาใช่ไหมค ะ, <ล>ะควร<ล>จะใช้ตลอดอเวลาตื่นจนหลับเลยต้องมีสติคอยควบคุมความคิดอย่าปล่อยให้คิดเลื่อยเปื่อยให้อยู่ในปัจจุบันอย่าไปอดีตไปอนาคตให้อยู่กับสิ่งที่เรากําลังทําอยู่เช่นกําลังอาบน้ําก็อยู่การอาบน้ําแต่งตัวก็อยู่การแต่งตัวหรือจะอยู่กับพุโทโธไปก็ได้ท่องพุโทโธพุโทโธไปแต่อย่าไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ ถ้าเรื่องที่จาเป็นต้องคิดก็คิดได้เรื่องงานเรื่องการเรื่องอะไรที่จำเป็นจะต้องคิดก็คิดแต่เรื่องที่ไม่มีความจำเป็นก็อยากคิดให้ให้ใหจมันว่างให้มีสติตั้งมั่นและเวลานั่งสมาธิถ้าดูลมหรืออยู่กับพุทโธมันก็จะสงบจะใช้แบบไหนก็ได้ลมอย่างเดียวก็ได้พุทโธอย่างเดียวก็ได้จะปนกันก็ได้แล้วแต่จริตใครชอบแบบไหนก็แบบนั้น ซึ่งการใช้สติในในหนูเคยได้พบกับเหตุการณ์ครั้งหึงกับตัวเองซึ่งหนูเป็นโลกอย่างเช่นโลกน้ํำในหูไม่เท่ากันขั้นรุนแรงหนูเป็นมาประมาณ99ปีอะค่ะแล้ววันนั้นหนูขับรถจะไปงานศพเพื่อนแล้วอยู่บนทางด่วนและหนูขับอยู่เลนขวาสุดซึ่งตอนนั้นก็ใช้ความเร็วอยู่ประมาณร30คือแล้วหนูเกิดอาการโดยกระทันหันตอนนั้นหนูคุมตัวเองไม่ได้แล้วหนูก็เลยตั้งสติว่าหนูคงไม่รอดครั้งนี้หนูก็เลยปล่อยขาอาจารย์ก่อนที่จะเหยียบเบรกเนี่ย ทำใจแล้วว่าตัวเองคงไม่รอดพอเหยียบเบรกเนี่ยก็ทันหันแล้วก็ไม่ทราบแล้วว่าเป็นอะไรคือการนี้ก็คือเป็นการตั้งสติที่ถูกต้องหรือเปล่าคะว่ะอาจารย์ิดอถ้าเราปล่อยก็ถูกต้องอะไรจะเกิดก็ปล่อยมันเกิดไปถ้าเราไม่ทุกข์กับเหตุการณ์ก็ใช้ได้ค่ะขอบคุณค่ะอาจ า, ารย์ที่เมตตาค่ะคําถามจาก facebook ค่ะคําถามจากคุณจรัญญาแนวทางการปฏิบัติของโยมการนั่งสมาธิครั้งแรก พ่อแม่ครูบาอาจารย์บอกว่าให้ดูลมหายใจโยมก็ดูตั้งแต่เริ่มต้นคือจมูกมาถึงตรงกลางคือหน้าอกและสุดท้ายคือท้องโดยท้องจะพองหลังจากนั้นก็ตามดูลมที่หายใจออกโดยเริ่มที่ท้องมาถึงตรงอกและออกที่จมูกการนั่งสมาธิครั้งต่อมาก็ไม่ได้ไล่ดูลมทั้งสายแต่จะดูที่ปลายจมูกอย่างเดียว เวลาจิตวอกแวกออกจากลมก็ดึงสติมาที่ลมหายใจอย่างเดียวทุกครั้งที่ออกจากสมาธิโยมจะได้ปัญญาเกิดขึ้นเช่นเข้าใจอนิจจังทุกขังอนัตตาของชีวิตมีความเมตาตาต่อสรรพสัตว์การกโกรธจะน้อยลงเข้าใจกฎแห่งกรรมเป็นต้นไม่ทราบว่าควรปรับปรุงอย่างไรบ้างเจ้าคะเพราะ โยมไม่เคยเห็นแสงสีอะไรที่หลายคนเขาเห็นแต่โยมจะมีสติตื่นรู้และเกิดปัญญาทุกครั้งหลังจากออกจากสมาธิเจ้าค่ะก็ทําอย่างนี้ก็ถูกแล้วเวลานั่งสมาธิก็ไม่ต้องการให้รู้อะไรให้จิตอยู่กับความว่างให้มีอุเบกขาให้อยู่กับผู้รู้สักตะวารุอันนี้เป็นสมาธิที่ถูกต้องที่จะไปใช้ในการฆ่ากิเลสได้ส่วนสมาธิที่เห็นแสงเห็นสี เห็นอะไรต่างๆนี่มันไม่มีกำลังไม่มีโอเบคาต้อออกมาจากสมาธินั้นก็จะไม่มีกำลังสู้กับความอยากสู้กับกิเลสตัณหาได้ดังนั้นอย่าไปกังวลเรื่องไม่เห็นไม่เห็นเนี่ยดีแล้วเห็นต้องระวังเห็นต้องต้องอย่าไปตามเห็นต้องกลับมาต้องดึงกลับจิตกลับเข้าข้างในให้กลับเข้าหาผู้รู้ให้อยู่กับผู้รู้อย่าไปอยู่กับสิ่งที่ให้รู้ แล้วก็ถ้าจิตเย็นสบายมีความเมตตาจิตปล่อยวางความโลภความโกรธเบาบางลงก็ใช่ได้แต่เราก็ต้องมาค้นคว้าดูว่าเรายังมีความโลภ ก, กับบุญลอยู่เรายังมีความยึดติดกับบุญลอยู่หรือเปล่าต้องทดสอบถามตัวเองยังยี้ติดกับแฟนหรือเปล่าติดกับลูกหรือเปล่าติดกับบ้านติดกับยศตําแหน่งที่เรามีอยู่หรือเปล่าติดกับข้าวของเงินทองหรือเปล่า ของนี้เป็นสิ่งที่เราต้องปล่อยหมดเพราะว่าสักวันหนึ่งเราจะต้องมีการพาดพากจากกันถ้าเราปล่อยเราก็จะไม่ทุกข์เวลาต้องจากกันถ้าเรายึดเราก็จะทุกข์ถ้าเราทุกข์ก็แสดงว่าเราสอบตกถ้าเราไม่ทุกข์เราเฉยๆกับเหตุการณ์ทุกอย่างอย่างเทวิเกโยมบอกว่าอะไรจะเกิดก็เกิดอันนี้เราไม่ไปเดือดร้อนกับมันยอมรับกับเหตุการณ์ อันนี้ก็แสดงว่าเราปล่อยไม่ไปอยากให้มันไม่เกิดนี่คือสิ่งที่เราต้องใช้ปัญญาสอนใจถามใจเราทดสอบใจเราว่าเราอยู่คนเดียวได้ไหมโดยอยู่โดยไม่มีอะไรได้ไหมลองไปอยู่วัดดูอยู่แบบไม่มีอะไรที่วัดเขาก็ไม่มีอะไรให้นอกจากอาหารวันละมือ้อแล้วก็ที่หลบแดดหลกผลแต่สิ่งอย่างอื่น ที่เรามีที่บ้านนี้เขาที่วัดไม่มีกันเราจะอยู่แบบคนเดียวได้หรือเปล่าก็ลองไปทดสอบดูแล้วเราปล่อยวางร่างกายได้หรือเปล่าปล่อยได้จริงๆหรือเปล่าก็ต้องไปหาเหตุการณ์ที่มันจะม า, าสร้างความตายให้กับร่างกายเราเราดูว่าเราเฉยได้หรือเปล่าเช่นไปหาที่น่ากลัวอยู่ไปอยู่ในปา่าไปหางูหาเสือดูเวลาเจอสิงสารสัตว์ใจเราเป็นยังไง หวั่นไหวหรือไม่ไม่หวั่นไหวเฉยเฉยหรือตื่นเต้นตกใจเนี่ยอันนี้จะเป็นเครื่องวัดปัญญาเครื่องวัดธรรมของเรากำลังของเราว่าเรามีกำลังที่จะรักษาใจให้นิ่งเฉยได้หรือไม่ถ้านิ่งเฉยกับเหตุการณ์ต่างๆได้ก็แสดงว่าเราสอบผ่านคำถามจากวัดป่าสายธรรมยุทธ์ซายมูลเวลาผมนั่งสมาธิ พอนั่งแรกๆ ก, ก็ฟุ้งซ่านคิดโน่นคิด น, น, ดนี่แล้วผมก็พยายามดึงความคิดกลับมาพอนั่งไปสักพักก็เหมือนกับว่าลมหายใจหมดไปเหมือนกับไม่ได้หายใจครับอยากทราบว่าเกิดจากอะไรครับเวลาจิตสงบมันก็จะไม่รับรห้ลมลวเวลาจิตสงบลมก็จะละเอียดจนกระทั่าบางทีเรามองไม่เห็นว่ามีลม จะมีลมแล้วไม่มีลมไม่เป็นปัญหาอะไรเพใา้เรามีสติมีตัวรู้อยู่ให้สักแต่ว่ารู้แล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรอย่าไปตกใจอย่าไปปรุงแต่ว่าเราไม่หายใจแล้วเดี๋ยวเราจะตายหรือเปล่าเราจะต้องกลับมาหาลมเนี่ยก็จะดึงจะดึงจิตออกจากความสงบเข้าหาลมตอนที่จิตรวมจิตสงบมันจะปล่อยลมมันจะไม่รับรู้เรื่องลมก็ไม่ต้องเปนสนใจ คำถามจากคุณแคทค่ะเรียนถามหลวงพ่อว่าจิตเกิดจากอะไรคะทำไมถึงไม่มีวันตายพอละร่างนี้ไปเกิดใหม่จิตเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่กันแน่คะหากมีชีวิตทำไมไม่กินอาหารกินน้ําเหมือนสิ่งมีชีวิตทั่วไปหากไม่มีชีวิตทำไมเรียนรู้บันทึกข้อมูลได้ทำไมมีปัญญามีความรู้สึกแล้วเจ้าคะ คำถามเหล่านี้อย่าไปถามให้มันเสียเวลาถามถามอย่างเดียวว่าว่าจิตเราสุขหรือทุกข์ท่นเองแล้วอะไร ถ, ถ้าทุกข์ถามว่าอะไรทำให้เราทุกข์แล้วดับมันได้หรือเปล่าเอาอะไรมาดับมันอขอให้รู้เท่านี้เพราะเรื่องของโลกเรื่องของจิตนี่มันเป็นอจินไต่เช่นโลกนี้เกิดมาได้อย่างไรจะอยู่ไปถึงเมื่อไหร่ท้องฟ้าทำไมมันอยู่อย่างนี้ไปตลอดอทำไมมันเป็นอย่างนี้ ของพวกนี้มันก็เป็นของมันอยู่อย่างนี้เราไม่จําเป็นจะต้องไปรู้ว่าทําไมต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพราะมันไม่มีปัญหากับเรารู้ไปก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงความทุกข์ความสุขภายในใจเราไม่รู้มันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงความสุขความทุกข์ากภายในใจเราแต่ถ้าเรารู้รว่าวิธีใดทําให้เราทุกข์แล้ววิธีใดแล้วทำให้เราดับทุกข์ได้เรารู้แค่นั้นพอเพราะตัวที่เป็นปัญหาก็คือความทุกข์ใจนี้เท่านั้นเององั้นมารู้ในเรื่องที่ควรจะรู้ดีกว่า เหมือนที่มีนิทานเล่าในสมัยพุทธกาลว่าคนถูกยิงด้วยธนูก็มีคนจะมาช่วยมีหมอจะมาช่วยถอนธนูออกให้แล้วก็รักษาแผลคนที่ถูกยิงก็บอกอย่าเพิ่งเดี๋ยวไปดูไปสอบถามก่อนคนที่ยิงนี่เป็นหญิงเป็นชายครอบครัวนี้มีฐานะอย่างไรเป็นชนชั้นไหนธนูนี้ทำด้วยไม้ชนิดไหนเหล็กชนิดไหน คนนกชนิดไหนถ้าไปหาข้อมูลอันนี้ก็ตายซะก่อนนั้นอย่าไปสนใจในเรื่องที่ไม่ควรจะต้องสนใจให้สนใจในเรื่องที่ควรจะสนใจก็คือทุกขเนี่ยเรามีทุกข์หรือเปล่าถ้ามีหาวิธีดับมันเสียถ้าไม่รู้ก็มาศึกษาข้อธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านก็นจะสอนให้เราเจริญศีนสมาธิปัญญา แล้วเราก็จะมีเครื่องมือดับความทุกข์ได้พอหายทุกข์แล้วก็จะไม่สนใจใครจะเป็นอะไรใครจะเกิดอย่างไรมาอย่างไรไม่มีความสําคัญอะไรกับเราเพราะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรในใจของเราไม่ทําให้เราสุขขึ้นหรือทุกข์ขึ้นอะไรไม่มีไม่เกี่ยวกันงั้นอย่าไปเสียเวลากับเรื่องที่มันไม่ไม่มีประโยชน์กับเราอคำถามที่เขาฝากทางบ้านหมดแล้ว ่อาไปนี้ก็มีคำถามสดที่ส่งเข้าม า, าตอนนี้กำลังถ่ายทอดสดทั้ง YouTube และ Facebook ถ้าใครไม่สามารถมาได้ก็ติดตามสดได้เพราะต่อไปนี้คนจะมามากขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวนี้ทางเจ้าหน้าที่เขาต้องปิดประตูไม่ให้ขับรถขึ้นมาหลังจากมีแ0สิบคันแล้วเขาก็จะไม่ขึ้นเขาก็จะต้องขนถ่ายคนขึ้นมา ดังนั้นถ้าท่านไม่สะดวกที่จะมาก็ติดตามฟังที่บ้านก็ได้มาวันธรรมดาก็ได้วันที่คนไม่มากอย่ามาวันที่คนเข้ามากันมากๆในวันธรรมดามีไม่กี่คนหลงเหลงได้บุญเหมือนกันทำบุญวันนี้ทำบุญพรุ่งนี้ทำบุญมาเลยนี้ได้บุญเท่ากันมากน้อยอยู่ที่จำนวนเงิน ทำน้อยก็ได้น้อยทามากก็ได้มากถามมีคําถามไหมกลับเรียนพระอาจารย์ค่ะอะพอดีหนูปฏิบัตินั่งสมาธินี่มาตั้งแต่ประมาณอายุสิบเก้าค่ะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยตอนเริ่มนั่งเนี่ยค่ะคือเป็นคนที่ดิ่งเร็วค่ะพราะนั่งปุ๊บเนี่ยจนนิ่งแบบเงียบหายไปบางครั้งเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลย ไม่รู้ตัวอันนั้นไม่รู้ตัวเหมือนแบบไม่รู้แบบไหนไม่รู้มันก็ไม่รู้ตัวแต่ว่าอย่างไรรู้ตัวแต่ไม่ได้ยินเสียงภายนอกอ๋อรู้มีความรู้อยู่รู้สึกตัวหรือเปล่ารู้สึกตัวแต่ปั้นรู้ว่าจิตสงบเน่งหรือเปลารู้ว่าจิตสงบนิ่งแต่ไม่ได้ยินเสียงภายนอกไม่รับรู้ภายนอกออไม่ใช่รู้ไม่รู้ตัวแบบหลับนะอันนั้นอันนั้นคือในอดีตนะคะพอดีหลังจากนั้นเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ปฏิบัติมาสักหลายสิปีแล้วก็เพิ่งมาเริ่มปฏิบัติจริงจัอีกสักสองปีเนี้ย คนนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือดิ่งเร็วแต่กลายเป็นพวังหลับคือแรกๆเนี่ยจะเหมือนเดิมค่ะพอดิ่งลงปุ๊บเนี่ยเงียบสงบรู้ตัวแต่พอนานเข้าก็จะหลับไปแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งค่ะพยายามจะแก้ปัญหานี้โดยการปรับไปเดินจงกรมเพื่อให้มีสติมากขึ้นพอเดินจงกรมไปแล้วก็มานั่งสมาธิขณะดเดินเนี่ยก็ยังมีเหมือนกับจะมุดหายไป แล้วก็บางครั้งเดินกับคนอื่นเนี่ยค่ะคนที่เดินอยู่ข้างหน้าก็หายไปเหมือนตัวเขาหายไปอันนี้ก็มีคนบอกว่าเป็นเพราะสติอ่อนถูกต้องไหมคะส่วนนึงก็มีส่วนเรื่องสติอีกส่วนนึงก็อยู่ที่เรื่องของร่างกายกินมากเกินไปทูที่จะภาวนาเนี่ยต้องล ด, ดการรับประทานอาหารลงเอาแค่วันละมื้อก็พอ แต่ที่จะกินสามมื้อก็เอาแค่มื้อเดียวแล้วบางทีมื้อเดียวบางทีมันยังง่วงก็บางทีอดวันเว้นวันก็ได้กินวันเว้นวันไปลดปริมานอาหารลงแล้วมันจะช่วยได้มันจะทำให้หายง่วงตอนตอนที่เกิดนี้คือถือสินแปะอยู่อ่าก็ยังกินถึงเที่ยงอยู่ใช่ไหมใช่สองมื้อเช้ากับกลางวันก็ลองเอามื้อเดียวยถือสินแปแล้วก็เอามื้อเดียว พอผ่หลังจากตรงนี้ก็คือว่าพอไปนั่งสมาธิคนนี้กลับกลายเป็นว่าสลับกับเดินจงกรมพอนั่งแล้วก็เห็นเป็นคือเหมือนกับเข้าสมาธิได้แล้วก็จะมีแสงสว่างที่สว่างมากเหมือนสปอตไลท์อันนี้ก็แล้วก็จะเงียบตรงเนี้เงียบไปเลยมีแสงไม่มีแสงก็ไม่เป็นประเด็นสำคัญขอให้มันสงบไม่คิดปรุงแต่ง อ, อันนี้ก็สงบค่ะแล้วก็พอออกจากสมาธิมาก็ มาพิจารณาส่วนใหญ่หนูออกจากสมาธิจะพิจารณากายคือนั่งมองกายก่อนแล้วก็พิจารณากายเกิดว่าก็จะเห็นเท้ากลายเป็นซากศพแล้วก็อันนี้เป็นครั้งที่หนึ่งครั้งแรกก็ตกใจอยู่เหมือนกันพอหลังจากนั้นก็จะเกิดอีกค่ะแล้วก็หายไปพอหลังจากนั้นมาก็พยายามที่จะพิจารณากายต่อในภาวะที่เราไม่ได้นั่งสมาธิขณะที่นั่งสมาธินี่ระยะหลังก็พยายามจะแก้เรื่องผวังหลับ โดยการที่นั่งสลับกับเดินนี้ตอนนี้ก็สลับกลายเป็นว่ามีนั่งแล้วก็เงียบไปได้แค่ปป๊บเดียวค่ะหลังจากนั้นลมหายใจก็จะกลับมาไม่นานก็ลมหายใจกลับมาเป็นอย่างนี้สลับกันไปมาแต่ก่อนที่จะนิ่งเนี่ยค่ะจะวุ้บเหมือนเราจะหลับหรือว่าพงองกวุ้บแล้วก็จะเงียบหายไปนิ่งแล้วก็มีแสงขึ้นมาแล้วก็จะกลับมามีลมหายใจช่วงที่นิ่งเนี่ยจะไม่นานมากค่ะ ไม่เหมือนสมัยก่อนที่มันนานมากๆอะค่ะตรงนี้ต้องแก้ยังไงอะคะพระอาจารย์ก็คงจะต้องฝึกสติให้มากขึ้นหรือการเจริญปัญญามันก็จะช่วยได้เหมือนกันเช่นเราออกจากสมาธิมาเราก็พิจารณาทางปัญญาแล้วก็เวลาที่เราไปเจอความทุกข์ที่เกิดจากการยึดติดแล้วเราใช้ปัญญาหยุดมันได้จิตก็จะสงบลงไปเลิกและสงบได้นาน การสงบด้วยปัญญานี้มันจะมีพลังมากกว่าการสงบด้วยสติงั้นก็ถ้าสติเราไม่กำลังไม่พอเราก็จะต้องใช้ปัญญาช่วยแต่ปัญญานี้จะต้องเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้เราทุกข์แล้วเราพิจารณาเห็นเหตุของความทึกว่าเป็นความอยากแล้วพอเราปล่อยความอยากได้จิตก็จะ สงบตัวลงเข้าสู่ความสงบเช่นเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเราทุกขกับความเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเราพิจารณาว่ามันเป็นอนันนจังอนัตตาเราไม่สามารถที่จะไปสั่งให้มันหายได้มันจะหายก็หายมันไม่หายก็อยู่กับมันไปอย่าไปอยากพออยากแล้วมันจะทุกข์พอเราปล่อยวางความอยากได้จิตก็จะสงบแล้วมันจะสงบมากกว่า สงบด้วยสติถ้ามันสงบด้วยปัญญาแล้วบางทีมันต้องมีเหตุการณ์ถึงจะสงบได้ต้องมีความทุกข์เกิดขึ้นเช่นไปเจอความตายอย่างเนี้แล้วมันทุกข์ขึ้นมาสุดขีดแล้วเราใช้ปัญญาพิจารณาว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเรามันต้องตายยอมให้มันตายพอเรายอมปรับความกลัวตายหายไปเลยจิตก็สงบนิ่งไปเลยอันนี้มันก็จะสงบแบบ จริงๆเลยสงบแบบท้าวบอเลสงบด้วยปัญญานี่มันจะไม่เสื่อมง่ายเหมือนกับสงบด้วยด้วยด้วยสติแล้วแล้วถ้านั่งสมาธิแล้วมีครั้งหนึ่งที่รู้สึกว่ามือที่นั่งขัดสมาธินะคะหายไปทั้งสองข้างแล้วหนูออกจากสมาธิไม่ได้ต้องทำยังไงดีคะก็รอให้มันออกนะอย่าเพิ่งไปถ้ามันไม่ออกก็ปล่อยมันอยู่ในนั้นไปก่อนนะ นิ่งนิ่งไวเฉยๆนิ่งไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันถึงเวลามันออกของมันเองอย่าไปอยากออก <Okay. S 2> อร่างกายหายไปก็แสดงว่าละใจมันปล่อยวางร่างกายมันเข้าไปข้างในพอมันปล่อยเข้ามันเข้าไปข้างในมันก็จะปล่อยวางรูปเสียงกลิ่นรสและกายร่างกายาอไม่ต้องกัวงวลถ้านั่งสมาธิแล้วออกไม่ได้ก็ดีอยู่ไปนานๆฤาษีบางคนอยู่ที่เจ็ดวันสิบห้าวัน เดี๋ยวถึงเวลามันออกเองไม่ต้องกลัวมันเข้ายากเวลามันเข้าไปแล้วอยากไปอยากให้มันออกถ้าอยากให้มันออกหนึ่งมันออกก็เดี๋ยวต่อไปมันจะไม่เข้าให้นะ เ, นนเวลามันเข้าไปแล้วไม่ต้องไปยุ่งกับมันให้รู้ประครับประคองด้วยสติให้รู้ไปเรื่อยๆออแล้วถ้าเรามีครั้งหนึ่งที่หนูออกจากสมาธิแล้วเปลี่ยนท่าจากขัดสมาธิจะลงลงมานั่งจากต่างลงมานั่งเนี่ยคะ่ะ เห็นว่าตัวหลุดออกไปจากล่างนี่ตรงนั้นจะทํำยังไงก็รู้เฉยๆรู้ว่ามันเป็นเพียงภาวะอันหนึ่งของจิตที่มันแสดงให้เราเห็นนั้นเองแล้วเดี๋ยวมันก็กลับมาเป็นปกติใช่ไหมก็แสดงว่ามันไม่เที่ยงใช่ไหมมันเป็นสิ่งที่เราควบคุมบังคับไม่ได้ใช่ไหมก็ให้รู้อย่างนั้นเราก็ไม่ต้องไปสนใจรู้ว่ามันก็เป็นภาวะอย่างหนึ่งความรู้อย่างหนึ่งที่ไม่มีประเด็นอะไรสําคัญอะไร ไม่มีคุณไม่มีโทษจะมีโทษก็ต่อเมื่อเราไปยึดไปติดไปคิดว่าเป็นนู่นเป็นนี่ขึ้นมาฉะนั้นปล่อยวางให้รู้เฉยๆแลว้วก็ปล่อยวางไม่ว่าเห็นอะไรรู้อะไรก็ปล่อยวางมันไปถ้ามันเอามาดับความทุกข์ได้ก็เอามาเช่นเห็นนสุภาเห็นซากศพนี่แล้วเอามาดับตัณหาได้ก็เอามาใช้ได้แต่อันไหนเห็นแล้วเอามาใช้ไม่ประโยชน์ไม่ได้ก็โยนทิ้งไป แล้วตรงที่นั่งระวบเนี่ยค่ะมันต้องแก้ไหมคะเป็นเพราะเราเข้าสมาธิหรือเราหลับนั่นนะแตถ้าวุบมันมันมีสองวุบเลยวุบหลับกับวุบสมาธิคือมันวุบแล้วมันก็สว่างนะคะแล้วมันก็มันก็จะลุกยังรู้ตัวคอันนี้รู้ตัวก็ไม่หลับแต่ก่อนที่มันจะวุบเนี่ยค่ะเราจับไม่ได้ว่ามันจะวุบเมื่อไหร่คือมันอ๋อมันไม่มันไม่บอกเราหรอกมันถึงเวลถ้าเราไปจ้องไปคอยดูมันวุบมันไม่วุบหรอกมันจะวุบแบบตอนที่เราไม่รู้สึกตัว ไอ้ไม่เป็นเรื่องธรรมชาติของจิตมันจะลงมันต้องมันเราต้องปล่อยมันมันถึงจะลงปล่อยด้วยสติคือไม่ปล่อยเรื่องอื่นต่างๆแลอยู่กับสติอย่างเดียวแล้วเดียวมันก็จะลงของมันเองคุณโอ๋ก็เลยไปกังวลว่าเอ๊ะแบบเราจะหลับหรือเปล่าก่อนนี้ก็เลยกลายเป็นไปไปพาวงกับการหลับแต่มันรู้สึกตัวเหมือนกันบที่เราคุยกันอยู่ยังขนาดนี้ก็แสดงว่าไม่หลับถ้าไม่รู้สึกตัวแบบนี้ก็แสดงว่าหลับ คือถ้ามันวุบก็คือถ้ามันเข้าไปแล้วมันรู้ตัวก็โอเคมันสับปะงงก็แบบมันก็แล้วแต่ขอบพระคุณค่ะโอเคอ่าเลือีกสิบห้านาทีวันนี้สัญญาณมีปัญหามากครับพระอาจารย์ทำใไ้ทําให้อ่าไม่ค่อยมีคําถามเลยพระอาจารย์ก็ดีองั้นแต่แต่มีคําถามฝากมาครับอ่ามีรุ่นน้องเขาไปทําบุญที่วัดนะครับพระอาจารย์แล้วพอดีว่า ทางเขาปิดเข้าไม่ได้ก็เลยไม่ได้ไปทำบุญก็เลยเอาของที่ตั้งใจมาทำบุญเนี่ยให้คนแก่แถวนั้นไปเขาก็เข้าใจว่ า, าที่เขาต้องการอุทิศให้พ่อที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยก็คงได้เหมือนกันหรือเ ป, ปล่าครับอาจารย์ได้มันก็เป็นบุญเหมือนกันทำแล้วก็มีความสุขใจเหมือนกันแล้วอีกข้อหนึ่งครับอาจารย์สภาวะของปัจจุบันครับอาจารย์อย่างผุทุชนทั่วไปนี่ครับอาจารย์ แม้จะอยู่กับปัจจุบันก็ตามแต่เมื่อมีอารมณ์โกรธมีอารมณ์ใครที่มากระทบก็จะก็จะไปตามบ้างแป๊บนึงแล้วก็จะกลับมาอยู่กับปัจจุบันทันทีเมื่อรู้สติแต่กับสภาวะนี้กับพระพุทธเจ้ามีไปซ้ายไปกว่าบ้างไหมครับหรือว่าอยู่กับปัจจุบันอย่างเดียวเลยครับอาจารย์ท่านอยู่ปัจจุบันอย่างเดียวท่านจะเห็นเหตุหการณ์ทุกอย่างเหมือนกับเหมือนกับเทปอ่ะมันไหลผ่านไปผ่านไปท่านเป็นเพียงแค่คนดูเทปคนดูหนัง เหตุการณ์ต่างๆเป็นเหมือนภาพยนตร์ที่เราดูเราก็ดูแต่เหตุการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นในปัจจุบันเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้วก็ไม่ไปเหตุการณ์ที่ยังมาไม่ถึงก็ไม่ไปอยู่กับเหตุการณ์ปัจจุบันยกเว้นว่าจําเป็นจะต้องคิดวางแผนอย่างนี้ก็คิดได้ถ้ามีเจตนาตั้งใจจะไปอดีตก็ไปได้จะไปอนาคตก็ได้เช่นเราอาจจะต้องคิดว่าเราผิดพลาด ท, ทำอะไรามาผิดพลาดในอดีตเราก็กลับไปดูได้ แล้วเพื่อที่เราจะได้ป้องกันอนาคตไม่ให้มันเกิดขึ้นอกีกแต่นี่คิดด้วยแบบปัญญาไม่ได้คิดแบบไหลไปตามกระแสอารมณ์อารมณ์มมก็คือพอเขาดา่าเราปั๊บนี่มันหมดไปแล้วแต่เรายังมานั่งคิดอยู่อย่างนั้นเราก็ไปดึงอดีตกลับมาหรือกลับไปหาอาดีตเขาดา่าเราแต่เมื่อเช้านี้เราเย็ น, นี้ยังโกรธอยู่เลยยังไม่พอใจอยู่อย่างนี้เรียกว่าจิตไม่ตั้งอยู่ในปัจจุบันถ้าอยู่ในปัจจุบันเขาด่าปุ๊บมันก็หายไปแล้ว ถ้าไม่ไปคิดถึงมันก็ลืมไปแล้วถ้าจิตอยู่ในปัจจุบันจริงๆมันทุกอย่างมาปั๊บก็หายไปเนี่ยเสียงเราพูดปั๊บก็หายไปละอาจารยโอเคนะถ้าไม่มีคำถามก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะได้ให้ญาติโยมจะได้เดินทางกลับกันก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงนำเาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพนะินิจพิจารณาไปปฏิบัติ